ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้ง 20 ธันวาคม 2531 แต่ 28 ธันวาคมขอ ใน 18 ธันวาคม 2501 ภาพนิมิตที่ 18 ธันวาคมก็ปรากฏขอ ไปตามคําตามคําแนะ ตามนิมิตนั้นพอพูดจบ 12 ธันวาคม 2531 มีใน ว่าคนที่สวยคือเทพบุตรองค์นี้ตานิมิต อย่าผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่อง <c oughs> <c oughs> Loi weng lang. Jullie tand en bandjes ik kart heb op het waar. Dan die kruim maar leo, mij vrak op pap jang Ja, jij Wa, waar, pap pap Mee, ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงผู้นี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่แสดงว่า นั่นก็หมายความว่านัตยะต้นทําบุญบ้างทําบาปบ้าง ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลัง 18 ธันวาคมต่อ ในขณะที่คุยกับนางมีนางฟ้าฟ้าปู่ทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกันทั้งเธอ <c oughs> Mijn en ik ik Ik Ik Ik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 เอ่อก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นย่อม 3 ห้องนอนพ่อแม่และลูกแม่ถามว่าเธอมีอาชีพ คนปลาจากเรือตังเกีลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้เป็นนางฟ้าปู่ทะเลคนนี้ แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสน สำหรับปลานี่ก็แจกให้ แต่ละวันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ ทำแล้วให้ลูกสาวหาบไปขายแล้วให้ลูกสาวห่าบไปตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงได้กลับให้ 1 จานราคา 1 บาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอเอาข้าวใส่หม้อไฟแต่ว่าทําซึ้งไว้นึ่ง ทำอย่างนี้เป็นโทษพื้นที่ถูก <c oughs> เริ่มมีว่าจอดคนขึ้นหลงมากตอนเช้าตู่ จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเกือบ 50 10 เกือบ 50% เจนึก <c oughs> แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเจ้าห้องเป็นใบ ก็ถามเธอว่าเธอๆเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่า แต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดติดตามมาก็คือ เห็นดีใจมากเสียใจก็ถ้าวันไหนเค้าได้ปลามากได้แบ่ง เพราะนั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาดีในว่าถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มหาว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้ ลูกพระบดีพุทธเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้าย Gay reduceнд normaal aunque il ligen sehr isme. DeWhich descript weet Jin League-de-art. En de fabrie0 ik worries, Mak escuela ini en dat je gereposte nog niet. 하 puts niet en met het ident. забwa ook een menggabel. Ja, ik heb wegg samen verdaderaate een geken. hij weet de bezig met een ไอ้ตัวดีใจในการทําบาปนอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้ว <c oughs> เธอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่ไม่เวลาทํายากก็มีๆก็ยาก <c oughs> <c oughs> นึกว่าใส่ตามประเพณีตามพื้น อาที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่ 60 ปีเศษๆนิดหน่อย <c oughs> ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกียะหรือคุณนั่งเป็นตึงหนังเกียะเขาเขาแปล ถ้าผู้หญิงเค้าเรียกว่าจีนเธอก็ <c oughs> แต่ก็ตอบว่าบุญสําคัญมีอยู่ 2 อย่างนั่นคือถวายว่าปกติไม่ได้ ในระยะที่พระให้นึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าใน <c oughs> ในเมื่อเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือใช่คนสาวแต่พระไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอ มันบอกว่าต่อมาระยะที่เป็น ระเดฟเพวะจัดการวิเศษที่ไหนบ้างที่รายจักขายเป็นประจําเวลาตอน เราไว้ 2 2 เตาให้น้ําเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อน 1 บาท ที่ประกาศลดราคาเนี่ยบาททําได้ระยะแรก 50% แกง ข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอมั้ยจานลงไปเห็นพอ หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระมีที่ไหนก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งนั่นถ้า <c oughs> ก็มีข้าวไปหม้อย่อมๆเกาะ mm hmm. 1ๆแล้วเวลา ก็ถามเถิดว่าอานิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออานิสงส์ทางทานอย่างเดียวหรือเห็นว่า ท่านดูทางไหนดูทางไหน <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องเอาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจต่อนี้ไปถ้า ก็วางได้การแค่ให้ปัญญากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งท่าน แต่บอกว่าอาศัยกําลังใจที่นึก ท่านบอกได้ถูกต้องหมดบอกได้ถูกต้องหมดตอน เป็นนาง แต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรวพราว จึงได้ถามเทวาว่าในเมื่อเธอถวายก็เป็นการหลอกลวงล่ะสิเทพก็ตอบว่าไม่ ก็ตายทันทีตายตายจากความ อย่างนี้ทําสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนนึงก็ 4 ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลย พระองค์นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มอง 5 องค์ 7 องค์บ้างถึง 10 องค์พระที่มาให้ เวลาที่ตั้งไว้สมบูรณ์คุณผลจงมีแด่สวัสดี